พระไตรปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่12พระสูตรที่35จุลละสังจกะสูตรสูตรว่าด้วยสัจจกะนิครนสูตรเล็กพระผู้มีพระภาคประทับนาศาลาเรือนยอดในป่าใหญ่ใกล้กรุงเวสาลีแขวนวัดชีในสมัยนั้นสัจจกานิครนก็อาศัยอยู่ในกรุงเวสาลีเป็นผู้ชอบโต้เถียง